วันนี้วันที่หนึ่งก่าปีห้าหกคนเขาก็เรียกกันว่าวันปีใหม่แต่มันไม่ได้มีผลอะไรต่อใ จ, ใจิตใจต่อชีวิตต่อความรู้สึกอะไรเลยนะคนไม่มีความหวังคนสิ้นหวังคนหมดหวังมันไม่มีความคาดหวังกับการเวลาที่ผ่านไป จะปีใหม่ปีเก่าก็าเหมืนเดิมมีจะมองเห็นพระยามั จ, จุราต์ที่ตามเรามาข้างหลังทั้งหน้าก็รอเราอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซ้ายตาหูจมูกลิ้นกายใจ ขวารูปรถกลิ่นเสียงเครื่องหลังความเกิดความแก่ไปตามเรามาอนาคตมีความผิดหวังสมหวังสิ้นหวังรออ ย, อยู่สุดท้ายมองไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลัง ไม่มีอะไรเลยที่เป็นแก่นสารชีวิตเอาไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ก็ตามแล้วก็สมมุติให้มันคนที่ตื่นเต้นกับปีใหม่คือคนมีความคาดหวังอยู่ในตัวในใจคนติดโลกติดสมมุติอาจจะเป็นนี่ก็ได้ คนเป็นนี่เป็นศิลป์ก็ทุกข์มากแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่มีอะไรเลยปีใหม่ก็ไม่มีอะไรที่ใหม่เหมือนเดิมเมื่อเราอยู่ในวัดในตื่นเช้าเย็นค่ำทาวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเลยไม่มีวันพระไม่มีวันเนรไม่มีวันศีลวันอะไรเลยอ่ะ พวกวันเหมือนกันหมดนเป็นวันแห่งการทําคุณงามความดีมันก็ไม่เลยไม่ตื่นเต้นกับวันปีใหม่ปีเก่าวันอาสานหะวันมาฆวิสาขะอะไรเหมือนกันหมดในวัดเนี่ยไม่มีอะไรเพราะวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีแตรื่องความตายกับเราะ ถ้าเราเฉลียวใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเพื่อออกจากความทุกข์เราก็ทำทุกวันทุกวันในการออกมันจึงไม่มีวันไหนสำคัญไม่ใช่พาปีหนึ่งเราไปปฏิบัติซะวันหนึ่งเงี้ยไม่ได้มีแบบนั้นทีวิตวเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่โลกเขาสมมติให้หรือแม้แต่กับใจของเรา ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันข้างในมันก็ไม่มีสมมุติให้มันไม่สมมุติถูกสมมุติผิดดีชั่วตัวกูของกูนี่เมื่อมันไม่มีสมมุตใิในเราเราก็ไม่ได้ปิปทุกข์ไม่ได้มีความหวังกับอดีตอนาคตอะไรชีวิตนี่อยู่กับปัจจุบันว่างๆล้วนๆ ไม่ใช่ปัจจุบันโกรนะปัจจุบันโลบหลงปัจจุบันธรรมจริงๆก็คือไม่มีเหตุปัจจัยเข้ามายุ่งกับมันนะแต่ยังมีความคิดความหวังอดีตอนาคตมันก็ไม่อยู่กับปัจจุบันมันถูกกวนด้วยคลื่นของอารมณ์บังทีก็ถามตัวเองว่าบีใหม่เนี่อยอะไรกับตัวเองบ้าง อะไรก็สิ่งใหม่ๆกับตัวเองบ้างสิ่งที่นทั้งหลายมาขวนขวายปฏิบัติธทำเนี่ยนี่คือกำลังสมัหากำลังรางวัลให้กับชีวิตตัวเองนะชีวิตถูกแผดเผามานานมันเหี่ยวเฉาแทบจะ เอ า, มาเมล็ดพันธุ์พุทธะในเวลามาเพาะแทบจะไม่งอกเลยนะบางคนก็ยังลูกผีลูกคนอยู่แล้วไม่รู้จะงอกไม่งอกคือกําหนดรู้มันก็ไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรขึ้นมาสักทีจเจริญสติสติก็ไม่โตมีแต่ความคิดมีแต่อดีตมีแต่อนาคตมีแต่บ้านมีแต่เรือนมีแต่ญาติพี่น้องมีแต่ทรัพย์สมบัติตัวกูของกู จึงไม่มีหวังว่าจะง่วงจะงอกหรือไม่งอกขนาดเรามาเจริญสตินี่ยังไม่รู้จักเลยว่าสติจะงอกให้หรือไม่งอกให้ไม่ปฏิบัติก็จมอยู่กับกิเลสตัณหามาปฏิบัติก็ติดอยู่กับเวทนากับเจ็บกับปวดกับเมื่อยกับง่วงกับงาอยเนี่ยออกไม่ได้ คือกําลังของเราไม่พอที่จะเวียนไหวสังสารวัตรมันไหวออกไม่ได้จิต ท, ที่มันจมอยู่ก็จมอยู่กับสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่ากนะิเลสมันจมอยู่ในกองกิเลสออกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาติดรูปรถกลิ่นเสียงติดตาหูจมูกนิ้นกายออกไม่ได้ติดอดีต เกิดมาแก่เจ็บตายตามระมาดีรื่นี่เลยไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้จะกลับคึ้นหลังก็ไม่ได้ที่จะเดินไปอนาคตก็มันมืดเกินเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปทางไหนในชีวิตเนี่ยแค่สมมุติทางโลกเราก็ยังดูไม่ออกว่าเราควรจะ ท, ทําตัวเองยังไงจากนี้ไปจะวางแผนชีวิตยัยงไงแค่นี้เรายังไม่รู้นะ ยิ่งถ้าหากว่าเออเดินตามเส้นทางอริยมรรคเส้นทางธรรมยิ่งหนักเขาไปอีกคือมันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเส้นทางอริยมรรคอยู่ตรงไหนเส้นทางอริยมรรคเดินไม่นานเขาเดินเพียงเจ็ดเก้าตอนนั้นแ่ะเดินได้เพียงเจ็ดเก้าก็ถึงเป้าหมายแล้วนะ ชีวิตเราเดินมาเดินทางด้านร่างกายนี่เดินมาตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้มันก็ยังมีถึงปวกหมายไม่นลูกี่เก้าทางธรรมนี่เดินเพียงเจ็เก้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสมาคมันตะสัมมาจิวะสัมมาวายามะสมาสติสัมมาสมาธิสิ่งเหล่านี้นะ ที่พูดมาเนี่ยเรามองรูปร่างมันเน่ยเคยเห็นเจดียด์ไหมเจดีย์มรูปทรงยังไงปฏิบัติธรรมมีลักษณะแบบนั้นสัมมาทิทิจะเหมือนด้านล่างของเจดีย์มันใหญ่โตนะสมาสังกปะก็ขยับขึ้นสมาวาจากรกามตาอายุมโยสวสติสมาสมาธิ สมาธิสมาธิก็คือยอดวันนั้นและชัดทองคำาั่นะดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำให้มันมากมากในการที่จะก้าวเดินไปสู่สัจธรรมเนี่ยแค่เจ็ดขั้นกระตามสมาธิติต้องแมน่นต้องมั่นสมาธิติคือการเห็นกายเวทนาจิตธรรม เห็นธรรมชาติของกายเห็นธรรมชาติของจิตที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเป็นอนัตตาแต่ถ้ามันทุกข์แล้วยิ่งทุกข์เพิ่มที่ทุกข์แล้วยิ่งรุกรานชีวิตเราเข้ามาเรื่อยๆแต่ใเราไม่เห็นเห็นกายกายนี่มันใหญ่เยอะกำหนดรู้อาการตั้งแต่หัวจรดเท้า อธุเกสมัถธกะตัจะปริยนตังอุดทังปาทตลาอโทเกสมัทธกะเบื้องล่างเนี่ยนับตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจน ถ, ถึงปลายผมและเบื้องบนก็จากปลายผมลงมาในเบื้องต่ําถึงฝ่าเท้าก็ม ร, รู้เวลาเรือนจุกรมเนี่ยมรู้ตรงนี้ไม่ได้ขยับไปรู้ตรงนั้น รูตรงนั้นไม่ได้ขย่าไปรู้ตรงนี้เล่นกับมันบ่อยๆเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวมันเชื่องอยู่เองอืที่กําหนดรู้เนี่ยเขาใช้คําว่านิมิตภาษาพระเรียกว่านิมิตอย่างเรายกมือก็เอามือเป็นนิมิตกําหนดรู้ท้องพองยุบเอาท้องเป็นนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายอืม เอาลมหายใจเป็นดิมิตเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการระลึรู้ฝึกสติใหม่ๆแทนที่มันจะไปกำหนดรู้เยอะๆมันกำหนดรู้ไม่ได้แล้วกำหนดรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งละเลึกรู้ก่อนพอสติโตเป็นมหาสติมันจะควบสี่ฐานได้เองโดยธรรมชาติ <c oughs> อะไรเกิดที่ฐานไหนยังไงเนี่ยมันจะเห็นสติปัฏฐาน นะถ้าสติไม่ได้อยู่กับกายก็ไม่เรียกว่าสติปัฏฐานการระลึกรู้เห็นกายเป็นสักท์ธรรมธาตุตามธรรมชาติเห็นกายเป็นความว่างเห็นจิตด้วยความว่างนั่นเขาเรียกว่าเห็นตรงเห็นแล้วไม่ปรุงนะถ้ามันยังไม่ว่างก็เห็นอย่างแล้วอย่าไปปรุงมันเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สมาทิทิคือเห็นตรงตรงเห็นเฉยเฉยเห็นอะไแล้วคิดตามเนี่ยไม่เรียกว่าสมาธิมันเห็นไม่ถูกไงเห็นแล้วมีความสำคัญมันหมายเห็นแล้วปรุงแต่งนี่เขาจะให้เห็นมีความรู้สึกเฉยเฉยเป็นสมาธิทิสมาธิทิในภาวนาสมาธิทิถ้าลงคิด ที่เห็นถูกเห็นนรกเป็นนรกเห็นสวรรค์เป็นสวรรค์เห็นนิพพานเป็นนิพพานอันนี้ประมาณแต่มันก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็พูดไปนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเห็นตัวเองเห็นกายเป็นกายไม่ใช่กายเรานาะกายสักแต่ว่าเห็นจิตเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นอาการเกิดขึ้น เราทำให้มันรู้สึกแบบนั้นนะถ้ามันไม่รู้สึกกนเริ่มใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นมากเข้ามาเข้าก็จะเห็นเป็นสักกายาทิฏฐิเห็นเป็นสักแต่ว่ากายคนฝึกสติแล้วในี่กายกับจิตมันไม่เหมือนกันนะมันอยู่ด้วยกันก็จริงอนะแต่มันแยกกันทำงาน กายก็เป็นเรื่องของกายจิตก็เป็นเรื่องของจิตเป็นคนทั้งหลายเอามาปนกันกายทุกข์ใจก็ทุกข์ใจกินใยดื่มอะไรใจก็มีความพอใจด้วยกับผู้บรสนะใจมันไปเพลินกับมันเราแยกออกจากกันไม่เป็นต้าเห็นรูปนี้เราก็สุขใจนาดีหูได้ยินเสียงก็มีความสุขหรือบางทีถ้าเขาพูดอะไรไม่ดี มได้ยินเสียงเฉยๆก็ปรุงเป็นทุกข์ข้นมาแล้วดีอ่ะทั้งที่จริงมันคนละอันกันคนละอันแต่เราแยกไม่เป็นเขาบอกว่าเหมือนที่จริงความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาดนเหมือนน้ำมันมีตะกอนนะทั้งวันจะแยกต้องหาสารส้มมาแข่งสภาพจะแยกน้ำก็ตะกนอนออกจากกัน จิตเราก็เหมือนกันอ่ะมันคิดขึ้นมาแต่ละทีเราไม่รู้อะไรเป็นกิเลสเราก็เข้าข้างตัวเองแล้วไม่รู้อะไรคือกิเลสไม่คือกิเลสเนะี่ยไม่มีสารที่ไปแกว่งไม่มีสารสําหรับทาหน้าที่แยกและลายสองอันนี้ออกจากกันว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักน้ำํำตะกอนความคิดกระหมืนกันเราไม่รู้อะไรคือคิดดีไม่ดีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังดูไม่ออกมีแต่เข้าข้างมันน่ะ ดันั้นท่าทนจึงอยากให้เห็นเห็นส ม, มาธิฏฐิซะส ม, มาธิฐิส ม, มาสังกฤฤฤับปะาสมาวาจากมรมตะอาจิวะวิญมะสติสมาธิประมาณเนี้ยมันสำคัญตัวแรกนี่แหละส ม, มาธิฏฐิเนี่ยเห็นเป็นศักิแต่ว่าเนี่ยดูยากอะนี่เห็นไหมโลคนบางคนมาปฏิบัติทำ เพิ่งจะรู้จักสติเนน้อยความคิดเกิดขึ้นนี่มันเกิดจากความเห็นนะสมาสังกปะสังกปะแปลว่าการคิดการคิดเนี่ยมันจะเกิดจากหลุดหลังความเห็นเมื่อเรามีสติสักพักเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเองแล้วมันคิดขึ้นมาก็คิดเรื่องธรรมะธรรมโมขึ้นมาสารพัดน่ยนั่นเขาเรียกว่าสัมาสังกปะ คิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนไม่คิดในกรรมเรื่องกรามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนไม่มีถ้าความคิดเกิดื่องคิดเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เขาถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิวิธีการได้มาคือพยายามทําความรู้สึกตัวมากๆ ทำความรู้ตัวทั่วพร้อมทําให้มันต่อเนื่องจนกระทั่งว่าเห็นเฉยๆเดินไปก็เฉยๆหรือบางทีมันจะเหมือนเหมือนแก้วแตกเนี่ยเราถือมาเยอะๆเราติดนะอยู่ๆมันก็หลุดมือเพราะเราไปมันแตกแตกไปมันก็ฝาไปทางฝาตัวไปทางตัวจมเป็นของไหญ่ของเหม็นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันน้ํากับตะกร จิตกับสติไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เดียวกันสุ ข, สขทุกข์ไม่ได้มีในกายนี่ดีชัว่วมันไม่ได้มีแต่จิตเราหลงทางเลยไปยึดเอาเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นกายเป็นสักตารรกายมากๆเห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, าจนปกติเี่ย เห็นกายนี้จนเป็นปกติของกายว่าเป็นแบบนี้เห็นกายเจ็บกายปวดเห็นรูปทำนามทำรูปโรกนามโรกเห็นความเป็นอนิจจังในความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเกิดมาก็ดับหายไปเห็นอนัตตาในน้อยนะเกิดมาปุ๊บก็ดับหายไปทําบ่อยๆถ้าเราเห็นแบบนี้เขาเรียกว่ามร์นะ ทำให้มันเป็นมัจทำให้มันต่อเนื่องลึกรู้นี่ความคิดมาก็ดับพันไปทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้นะทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้นะ เ, รเริ่มตรงที่กําหนดรู้แล้วมันดับนะมันมาปุ๊บเห็นปุ๊บดับไปปุบ๊บมาปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยมัจเริ่มต้นจากนี้ทีนี้ถ้าทําไม่เป็นผลเนี่ยถ้าทําไม่ถึงผลเนี่ยเวลามัจมันดับมันจะตกลงมาเป็นเหมือนเดิม เขถึงเรียกผู้ทุชนปูทุชนผูุ้ชนบางทีขณะที่เรากำลังทำมัเนี่ยทำให้มันต่อเนื่องชัดเจนมากขึ้นความรู้สึกตัวที่พร้อมมนะีเตรียมตัวที่จะตัดความรู้สึกที่เป็นชาวโลกนะความรู้สึกแบบโลกๆนะ่ะออก ความรักความชังความกุความเกลียดอัตตาตัวตนพวกนี้เราเห็นมันแว บ, บขึ้นมาในจิตเรามันมาทางไหนมายังไงเนี่ยเรานั่งเฝ้าอยู่กับที่เฉยๆเราลึกรู้เฉยๆ ม, มาพบ ก, ก็เห็นปุ๊บขนาที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เดินจงกรมมากๆทำให้มันต่อเดื่องมันอาจจะผิดพลาดบ้างลืมบ้างก็กาหนดเอาให ม, เใหม่เอาใหม่นี่เ้ จนกระทั่งวสตินี่มันเห็นตรงๆแล้วมันปล่อยวางได้เป็นสมาสตินะสมาสังกปะสมาวาจาสังเกตนะจะพูดน้อยพูดน้อยไม่พูดมากพูดสิ่งที่เป็นสาระพระพุทธเจ้ามีหลักการพูดอยู่นะคือพระพุทธเจ้าไม่พูดสิ่งที่มันไม่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พูดในสิ่งที่ไม่จริง ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่พูดสิ่งที่เป็นความจริงที่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์ไม่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดนะอย่าว่าแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยอันที่มีประโยชน์ถ้ามันไม่ใช่ความจริงก็ไม่พูดเป็นความจริงไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่พูดนะนั้นเราปฏิบัติทําเราก็จะเริ่มเห็นมันโอ้อันนี้ไม่จําเป็นตัดไปนี่ตัดไปนี่ตัดไป สมาธีวะมทมอาชีพอาชีพก็เริ่มอาชีพที่เป็น้เพื่อการรักษาจิตตัวเองไม่มันงุนงิดง่ายอาชีพอะไรก็ได้ที่มันมีผลไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดแล้วทำให้มันนอกจากนั้นคื อ, คอให้มีความเจริญก้าวหน้าลหลายๆคนนั้นปฏิบัติทำแล้วบางทีเลิกงานที่จุกจิกออกไปเอางานเฉพาะที่คิดว่าจะสามารถ ทำความเพี่ยนหรือเจริญสติอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องเป็นสามารถไปปฏิบัติทำได้อะไรมากนนะถ้าอนะไรที่มันเป็นนะอุปสรรคเขาเลิกเนะพราะรู้เจาะแล้วชีวิตนี่มันจะเริ่มเดินไปทางไหนนะการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบต่างกันยังไงอันนี้การทารงานชอบการงานที่มันไม่กระเทือนกับชีวิตหละเลี้ยงชีวิต คือการกินพอดีกินพอดีอยู่พอดีไม่กินไปเพื่อการเบียดเบียนตัวเองกินเหล่ากินยากินมากกินน้อยกินอะไรประมาณเนี้ยสมาชีวะสมาวายามะเหลือจากนั้นทีนี้เราก็เพียนเพียนพอรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เพียนและลึกรู้ล่ะสติต้องต่อเนื่องล่ะะ คือจัดการชีวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยได้แล้วนะสัมมาทิฏฐิเห็นตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วก็สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะอาชีวะวายามะมาถึงวายามะวายามะแปลว่าเพียรชอบอืเพียรชอบระลึกชอบคือจัดการสิ่งุกันเพียรเลยที่นี่เริ่มแสวงหาสั จ, จธรรมเพียรชอบคือขวนขวายปฏิบัติทําตั้งใจทําอืม ทำให้มันต่อเนื่องหาเว ล, เวลาไปฝึกฝนอบรมจิตตัวเองจนั้งวันมันเจริญเติบโ ต, ตนั่นแล้วให้มันต่อเนื่องเขาถึงเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะถ้าทางโลกล่ะเพียรไม่ได้เพียรชอบไม่ได้เพียรออกจากทุกข์ไงเพียรอย่างอื่นนะไม่ได้เพียรเพื่อออกจากทุกข์ไม่ได้เพียรออกจากทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์นะ อันนี้เพียนเพียนเพื่อเจาะลึกเข้าไปในอารมณ์เราเนี่ยโกรธโลภหลงอะไรที่ฝังใจนี่นแหละเพียนเพื่อชำระล้างใจตัวเองเ้าเรียกว่าสัมมาสัมมาแปลว่าตรงนะเมื่อเรายิงนกยิงหนูเนี่ยยิงมันตรงนั้นมันถึงตายเหมือนกันนะเพียนชอบคือต้องตรงเป้าหมายมันถึงจะเป็นมรรคได้ ถ้าสัมมาวยมายามะเพียนออกจากทุกข์บ่อยๆเพียนมันไม่มีเวลาไปแล้วก็หาช่องเดี๋ยวก็ได้ไปปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมเพียนแล้วมันไม่ออกจากความคิดได้ไม่ออกจากความม่วงได้แล้วก็เพียนเยอะๆพอมาเข้ามาเข้าสักวันมันต้องหลุดออกได้เขาเรียกว่าสัมมาวายามะมเพียนชอบเพียนเพื่ออ อ, อกจากทุกข์ออกได้ทีละน้อยแล้วนะั่นออกจากเปลือกจากกระพี้จากแก่น เขาไปเรื่อยๆนะแกนก็คือกิเลสตัณหาอาวิชาอุปาทานพวกนี้มันไม่รู้จริงๆเนี่ยเมื่อไหร่เขาทำมันรู้แจ้งขึ้นมานะสว่างโพรงขึ้นมาเกิดปัญญาเห็นแจ้งตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันเกิด บางที่ก็ปฏิบัติทำก็เริ่มรู้นะมันเริ่มคิดนะเนี่ยมันจะคิดนะเนี่ยมันจะไปทางนั้นนะไปทางนี้นะถ้าคิดนี้มันจะไปลงนั้นลงนี่นะมันจะไม่คิดนะเห็นมันก็ดับเลยเห็นมันมาก็ดับไปเห็นมาก็ดับไปจนทั้งหมดแล้วมันหมดเชื้อความอยากคิดนั่นแหละถ้ามันยังอยากคิดอยู่ก็ต้องเจอกับมันไปอย่างนี้เรื่อยถ้าทําได้ดีทีเนี่ยเพียรมากเข้ามาเข้า ตัวสติมันก็จะเต็มเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็ส่งผลเป็นสัมมาสมาธินสมาธิก็เกิดเป็นยถาภูติยานยถาภูติยานเห็นเท่าไหร่ดับเท่านั้นนะมันมาทางไหนไปทางนั้นนะ่ะปฏินิสโกจาโคปฏินิสโ ค, โ ค, สโคที่สวดไปนะจาโคมันมาทางไหนก็จาขะมันออกจาขะออกปฏินิสโคอืก็ทิ้งความคิดเป็นนะ่ะ เขาคิดมาก็ทิ้งเป็นเขาคิดก็ทิ้งเป็นปฏินิสโคแปลว่าสลัดคืนมันเกิดที่ตาแล้วให้ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่จมูกดับที่จมูกเกิดที่กายที่ใจเกิดตรงไหนดับตรงนั้นสมาธินี่เห็นเท่าที่มันเกิดคือวิยถาภูตยานยถาฉันใดเอวังก็ชั้นนั้น ยถาผู้ทะ ย, ยันก็คือเห็นมันเกิดมาเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นมันมีมามาบวกกับจิตเราเนี่ยเห็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งมีค่าหนึ่งเท่าเดิมมีสิบมีเห็นสิบก็มีค่าสิบเท่าเดิมไม่ใช่เมื่อกี้เห็นหนึ่งตอนนี้เห็นเป็นห้าสิบเราเนี่ยไม่ใช่คือเราไม่ได้เพิ่มค่าเพิ่มคุณอะไรให้มันทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติ เกิดมาแล้วก็ดับไปสมาธิจะมีลักษณะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะแต่ในขณะนะเดียวกันก็รู้ตัวตลอดเวลารู้ตัวเหมาะที่จะทำลายกิเลสถ้าเห็นกิเลส ช, ชัดๆกึมาพอทำลายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นผลทันทีเป็นมรรคแต่มันไม่เป็นผลไม่เป็นผลก็คือมันไม่เกิดวิปัสสนาญา ร, รู้แจ้งกันมาแล้วมันอยู่ไปนั้นเลย คือพอหยุดทาก็กลับคืนอีกหยุดทําก็กลับคืนอีกเนี่ยเขาเรียกว่าเราได้แต่มักบางทีก็โล่งโปร่งสบายได้มักแต่ว่าสักพักคืนมาอีกแล้วเนี่ยมันไม่มัน่นคงมันไม่เป็นสัมมาสมาธินะสัมมาสมา ธ, มาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องบริสุทธิ์ห่องใสตื่นเบิกบานอยู่เรื่อย ๆ, ๆ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็ช<ไ>ื่อว่าเราอยู่ในวงจรของการพัฒนาจิต ท, ที่เรียกว่าอริยมรรคหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการหมุนธรรมะหมุนธรรมะหรือเรียกว่าหมุนธรรมะจากจากเรารู้จักนะจากสังคขารจากมันมีจากไอตัวจากเนี่ย มันหมุนไปแต่จักรที่มันเป็นธรรมเนี่ยคืออะไรมันจักรมันมีสองแบบนะเครื่องจักรกลเป็นอีแบบนึง่งแต่ที่จักรี่มีจักรทางโลกโลกโลกเนี่ยเวลาหมุนแต่ละทีนี่เป็นสังสารจากักรวัตฏสงสารนะวัตจกักรตัวนั้นมันหมุนนะมันหมุนไปเรื่อยเรื่อย เวลามันหมุนนี่มันเป็นอวิชชาเป็นสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งมันขึ้นมาเรื่อยๆนะความคิดอดีตอนาคตมันหมุนไปหมุนไปทีนี้มันเป็นมันมีคมเหมือนกันนะเราเคยเห็นรงธรรมจักรเป็นซี่เป็นซี่เป็นกงกรรมงกงเกียนมันจะหมุนเพราะมันหมุนนี่เราก็เป็นทุกข์นะ พอมันหมุนไปทางไหนหมุนไปทางสังขารวิญญาณนามลูกสลายจตนะผัดสเวทนามันหมุนไปหาชาติชารามรณะมันหมุนไปหาความทุกข์นะชีวิตเราหมุนไปสู่ความเสื่อมนะอืหมุนไปสู่อนิจจังหมุนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายมันไหลไปแบบนี้โดยธรรมชาติเลย แต่ถ้าธรรมจักเนี่ยมันจะหมุนเขาเรื่องที่ว่าธรรมจักกวัตนสูตรสูต ร, ตรว่าด้วยการหมุนสติสมาธิปัญญาหมุนจากใจเราเนี่ยใจเราเวลาเราจเจริญสติปุ๊บเราจะรู้จักว่าอืมมันหมุนคือมันเคลื่อนออกจากทุกข์เป็นนะเคลื่อนออกจากความง่วงได้นะก็ เ, เรียกว่าธรรมจักมันเริ่มหมุนล้วจากเหมือนกองล้อเราทําเหมือนกองล้อแล้วนะ เหมือนล้อเวียนสันนิราตพุทธศาสนาเลยสตินะสมาธิปัญญาหรือบางทีเขาก็ทำสี่ก็เป็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ยหรือทำแปดก็มากแปดสุดรวมทั้งหมดก็ลงลงในความไม่ประมาทคือรวมลงในความรู้สึกตัวทั้งหมดนี่คำสอนพู้พุทธเจ้ารวมลงทั้งหมดนะคือรู้สึกตัว แต่นี่ก็มาที่รู้สึกตัวเวลาเรารู้สึกตัวมากๆสติสัมปชัญญะเราดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้จิตมันเคลื่อนออกจากความคิดเห็นไหยเคลื่อนหมุนออกจากอดีตหมุนออกจากอนาคตหมุนจากความรักความชังมันหมุนออกมันออกมานะแต่ถ้าเราไม่ฝึกสตินะมันจะหมุนเข้าไปเรื่อยๆมันหมุนกลับเหมือนหมุนน็อตเนี่ยเขาหมุนเข้าไป แต่นี้เราจะคลายมันออกอภาษาพระเขาถึงเรียกว่าให้คลายกิเลสฝึกจนทั้งคลายกิเลสคลายกิเลสก็คือเวลามันคิดมันไม่กินลนะมันไม่เอามันไม่กินความคิดไม่กินอดีตอนาคตละมันรู้ว่านี่คือกิเลสพอกินแล้วเป็นเหยือ่อพอเราไปคิดแ้วมันติดอารมณ์นะเหมือนกินเบ็ดเนี่ยแล้วเจ็บนะมันดึงไปทน ก, ก็ไปทางนั้นนะ่ะ ใจเราก็เป็นแบบนั้นแหละเราก็ไม่กินมันไอ้ที่ผ่านมาล่ะกินแล้วเขาก็เรียกว่ามาคลายมันออกคลายกิเลสคือคลายออกคลายความรู้สึกความนึกความคิดพวกนั้นอนะ่ะคิดปุ๊บคลายปุ๊บคิดปุ๊บคลายปุ๊บคลายมันออกอย่าหยิบเข้ามาใส่ใจคิดมาใส่ตัวคลายมันออกพอทําบ่อยเข้าไปเขาเดี๋ยวมันก็ผ่องใสใเบิกบาน มันอเแบกมาทั้งเยอะอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาอดีตก็เอ า, อ น, เ อ, าอนาคตก็เอาทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วหอบมาโม่พอปฏิบัติทำโอ้ยสมมติทั้งนั้นนะเนี่ยก็ทิง้งซะเราวางมันลงอะเหลือแต่ใจลุ้นลเนีน่ยไม่เอามายุ่งกับใจถ้าจะใช้ใช้อดีตก็ใช้ซะใช้อนาคตก็ใช้ใช้แล้วก็วางพอใช้เสร็จก็วางนะ คือคิดจบก็จบเป็นไหมคิดจบแล้วจบอืมเดี๋ยวนี้มันคิดแล้วมันไม่จบคิดแต่มันยาวคิดแล้วมันไปไกลอะมันไม่กลับมา <c oughs> แล้วเขาบอกว่า <c oughs> ให้เหยียบเบรกดันเหยียบค <c oughs> ันเร่งดีเหมือนกันอ่ะเขาบอกว่าหมุนธรรมจกักรซะเราก็ไม่รู้อันไหนเป็นธรรมจกักรไปหมุนสังสารจากักร หมุนความคิดชีวิตเนี่ยแทนที่จะฝึกสติมาเรียนรู้เรื่องฝึกสติใช้ชีวิตเนไม่เป็นเรียนรู้เรื่องโลกโลกปัญจพามุนไปโน้นไปไกลหมุนกิเลสเกิดขึ้นหมุนอัตตาเกิดขึ้นหมุนตัวหมุนตนหมุนสมมุติหมุนอยู่นนั้นที่นี่ก็เป็นสังสารวัชก็เจ็บเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ทุกข์ ทุกข์เพราะความจนทุกข์เพราะความรวยความถูกความผิดทุกข์เพราะโศกเพราะเศร้าเพราะเสียใจอะไรลำพัน์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โถติ น, นาเป็นผู้มีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกข์ขาเปรตาถ้าคุณหมุนจิตไปเท่านั้นนะทุกข์ขาเปรตามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าแล้วอืม พระพุทธองค์ท่านจะเลยบอกว่าอยากให้เราทั้งหลายจเจริญสติแล้วให้มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าจะหมุนอะไรกันแน่ชีวิตเนี่ยจะหมุนสังสารวักรหรือหมุนธรรมจากักรจะหมุนจากตัวไหนเดี๋ยวนี้มันหมุนมั่วไปหมดนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรส่วนมากน้ำหนักมันเอียงมาทางสังสารวักร หมุนความคิดหมุนหน้าตาหมุนตัวตนะเสร็จนี่จะไปทําบนนั่นอันต์มันนีน้สารพัด ม, มันวางโครงการเอไว้เป็นสังสารวักรก็หมุนไปทําอะไรก็ตามในสังสารวักรแต่ละตัวก็จะมีมีไตรลักษณ์อยู่ในนั่นนอันนี้จังทุกขังกันตาอยู่ในตัวมันนี้มันก็หมุนไปหมุนไปสู่ความเสื่อม ความเสื่อมก็คือจิตใจและปกตินะัตอนนี้จิตปกติมีความปกติอยู่แต่สักพักจิตที่ปกติจะเริ่มเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมก็คือความปกติหายไปมีแต่ความคิดเข้ามาเต็มทียแทนที่นะมีแต่ความคาดหวังความคาดเอาคามคาดมีคาดเป็นมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันไม่เลอะเลืกรู้เฉย ขณะกินก็คิดไปข้างนอกขณะนอนก็ฝันนะอย่างเงี้ยจะเอาอยัางไงกลางคืนเป็นความฝันกลางวันเป็นความคิดกลางคืนเป็นเหมือนควันแต่กลางวันเลาร้อนเป็นเหมือนไฟมันเป็นอย่างเนี้ยั้นถ้าเรา ตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้กลไกของชีวิตเห็นอะไรเป็นอะไรเห็นธรรมะกับเห็นกิเลสแยกกันเป็นนะเราก็จะเริ่มเหยียบเบรกเป็นเหยียบคันเร่งเป็นอันไหนเป็นเบรกอันไหนเป็นคันเร่งรู้จักเดี๋ยวนี้รถเขามีสองอันแล้วเนะนี่ยรถออโต้เดี๋ยวนี้มีสองอันแล้วจะวางตีนถูกกัเลยเหมือนกันชีวิตเนี่ยมันก็เขาย่อมาง่ายๆแล้วมีแต่กายกับใจ เราก็พยายามเ<า>บียกหินเหยียบเบร ก, บบกมันให้เป็นอันไหนคันเร่งอันไหนเป็นเบรกอืออะไรคือธรรมจักอะไรคือสังสารจักรนี่นี่เราสวดธรรมจักสวดกันเกลืนนะทั่วทั่วไปสวดกันเยอะแต่ไม่รู้ว่าธรรมจักหมุนนิ้วคืออะไรเอะทัานหมุนของธรรมะพระพุทธเจ้าหมุนธรรมะเมื่อสองพัน ห้าร้อยห้าสิห้าปีที่บ่านมายคือพระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องพูดออกจากความคิดนะพูดง่ายๆคือท่านพูดเรื่องออกจากความคิดเมื่อใดออกจากความคิดเป็นความคิดมันก็ดับเพราะความคิดที่มันตั้งอยู่มันมีความอยากไปเป็นแกนมันนะพอถอดอัตตาตัว ต, วตวนออกความคิดมันก็ยุบดับไปเห็นไม่เหมือนพญามารส่ง ลูกสาวมาพระพุทธเจ้าการมั ต, ามมาตั์หาภาวะตนาวิภาวะตนาที่แดงส่งกรรมกรรมมาก็มีลูกสาวมาสามคนเข้ามาพรพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเฉยเฉยคือรู้เฉยเฉยมาก็รู้เฉยไม่หวั่นไหวพอไม่หวัน่นไหวถ้าเฉยก็มันมันจะดับไปเองมันมาแล้วมันจะดับไปเอง แลลูกสาวพยายามมก็สลายดับไปคือความคิดนั่นแหละที่เป็นมนันนะความคิดที่มันขึ้นมานี่ถ้าเราเฉยกับมันเดี๋ยวมันก็ดับสลายหายไปภาวะตัณหาความอยากเป็นก็เอาทรัพย์สมบัติมาให้เอาไหมทรัพย์สมบัติเนี่ยจะไปครองเมืองไหมจะมานั่งอยู่ทาไมทุกข์แนบตายนะลำบากนะอยู่อย่างเนี้ย อยาเลยกลับไปคลองราชดีกว่าสุขสบายท่านก็นิ่งเฉยเเสร็จปุ๊บมันก็มาลายสลายหายไปเหมือนเดิมถ้าเราเฉยกับมันเป็นมันก็จะดับแบบนั้นเฉยกับความคิดว่ามันก็ไม่คิดนะเฉยกับความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้เราไม่เฉยกับความทุกข์นะเวลาทุกข์มาเราทุกข์ตามหรือเราพยายามอยากสร้างสุขขึ้นมาทดแทนทั้งที่ความเป็จริงคือเฉยกับทุกข์เฉยเฉย จนกระทั่งว่าพยามารมาเองจนกระทั่งพยามารมาเองนะแต่ก่อนส่งเสน้ำมันมาส่งเสน้ำมันเขาก็วาดเป็นรูปเห็นไหมรูปงูรูปจระเข้รู ป, อ, รปอะไรต่างๆมาวุ๊มายกแรงในแค่นางทรณีแม่ธรณีบีบมวยผมนี่น้ำก็ท่วมทับตายละ คือเพียงแค่อดทนก็พอแล้วหมดเลยอดทนรู้สึกตัวแต่อดทนได้เยอะแค่นี้มานมันก็ตายแล้วแม่ทรณีแปลว่าความอดทนนะอดทนพื้นดินี่มีความหนักแน่นใครจะทําอะไรมันก็หนักแน่นเหมือนกันนะอยากให้เรามีความหนักแน่นความคิดมันจะตกค้างอย่างกระทำในจิตในใจความเจ็บความปวดชอบความชังทั้งหลายใน ใ, นใจนีต้องหนักแน่น เกิดจภพเสีนามานตายมดุดลูกสาววิยมาณมาฟ้อนนำืำก็หายไปอ่ะกรรมตัญหาเพราว่ตัญหาอยากเป็นไหมไปร่ำรวยไปอยู่พระราชวงังก็ไม่เอาก็ดับไปวิภวตถาจงหนีจากที่นั่งอันนี้ที่นี่ไม่เช่นในหลังของเจ้าศาสนาเจ้าก็ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ต้องควรตายได้ละมั้งเนี่ยเขบอกนะวิภาวะตถาออความเบื่อหน่ายความไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่แบบเนี้ถ้าเราเฉยกับมันมันก็ดับไปเองได้คามมตนฐาเพราะว่าวิกันนะวิภาวะตถาคนะเป็นมันเข้ามาเกิดยนะไม่ได้มีตัวตนจริงๆนะแต่เป็นคนเป็นความรู้สึกที่มันคนอยู่ในใจคนก็คือกวนเนี่ย เราเป็นคนผู้อ้วนที่ตัวเองอวนไปอวนมาก็ติดอารมณ์ทุกข์นะก็ <c oughs> ไม่รู้จะเอาอยัางไงอ่ะพวกเราก็วิ่งเข้าไปหากองไฟเนาะวิ่งไปหากองไฟไฟมันก็ไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาแล้ววิ่งไปหาความคิดมันก็คิดเอาโ้คิดเอาคิดไปหาความรักมันก็ทุกข์เอาทุกข์เอาไปหาความช่งงชงางมัช่างเอาช่างเอาเป็นธรรมชาตินะ ใครทำยังไงก็ได้อ น, นั้นแหละอมันไม่มีอะไรเปเรื่องประหลาดศาสนาพุทธไม่มีอะไรที่เกินคาดเป็นเหตุเป็นผลที่สามารถอธิบายเข้าใจได้หรือทัศนีนปภหธ า, า, าปะธรมมาภาภาวนายปภาธาปะธรมมานีว้วัตสนีนปาวนายปภาธาปะธรมมาบางอย่างนะทัศนีนะ่ะคือต้องเห็นนะ ต้องเห็นยังไงสงสัยอันที่สองนี่คือต้องภาวนาเฝ้าดูบ่อยๆยังไงสงสัยทัศนีนันภาวนายปะหะตะปามบางทีทั้งเฝ้าดูทั้งสังเกตทั้งเห็นแจ้งขึ้นมานะ่มันึืจนใจสงสัยมันยากอยู่นะไอ้เ น, นีืยแต่ถ้าเราทำเป็นเอาจิตใจว่างพองไซ ส, สะอาดบริสุทธิ์นี่ เขาเรียกวาธรรมะจักมันหมุนแล้วมันเคลื่อนที่แล้วพอจิตธรรมะจักเคลื่อนที่มันจะหมุนเคลื่อนที่ไปเองอ่ะมันจะสนุกอ่ะกับการการหมุนนั่นนี่ยมันจะเริ่มสนุกพราะเราหมุนแล้วมันหมุนได้ถ้าก่อนหมุนไม่ได้คือไม่คิดว่ามันทุกเนี่ยมันดับได้การดับทุกมีจริงเศรษฐธรรมมีจริงมันไม่รู้แต่พอมันเคลื่อนเท่านั้นแหละจะรู้จักธรรมะจักธรรมะจักของอุตปาทิ ยังกินจิสมุ ท, ยทัยธรรมังสปันตังนิโรธธรรมมันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเวลามันหมุนเนี่ยเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งพวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นแต่มันก็ดับไปพราะเห็นเกิดปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยเห็นเพียงเล็กน้อยชั่วช้างพระผงวุ่แหวนลิ้นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะปฏิบัติธรรมเนี่ย เห็นแวบเดียวเห็ น, วนความสว่างในใจเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นมีโอภาสปรากฏขึ้นสว่างสดใสขึ้นมาเลยถือเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นนิมิตหมายอ่ะเป็นจะเป็นรุ่งอรุณของชีวิตนะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขึ้นแวบขึ้นมาแลอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็้นตามแวบๆในใจ เห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นอืเห็นปุ๊บให้ดับปุ๊บสั่นบางคนมันสั้นนะมันคิดยังไม่ยาวก็ดับได้แต่ว่าอันนี้คือคิดปุ๊บระดับทันทีหรือการคิดกับการดับเนี่ยขอให้มันเป็นอันเดียวกันมันมีความรู้สึกว่าจะคิดเห็นก่อนดับทันทีอะีถ้าดับได้เป็นปัจจุบันนะการเกิดกับการดับเนี่ยเกิดพร้อมกันเขาเรียกอุทยพยัญญา ถ้าเห็นการเกิดการดับพร้อมๆกันเนี่ยมันจะส่งเป็นปรากฏการณ์ะปาคทันทีอ่ะเป็นการเห็นแจ้งกันมาเขาเรียกว่าคนมีความสว่างในตัวมันจะสว่างข้างในนะรุ่งแจ้งเขาเรียกว่าคนได้ดวงตาเห็นธรรมอ๋อมันเป็นีนีอ่อ๋ขึ้นมานะ เขาเยว่าธรรมาจักของอุตปาธโโิโกนทัญญะโยโกนทัญญะรู้แล้วหนอผู้จเจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเป็นแล้วเนอเจ้านี่ยนาะเจ้าก็เป็นเหมือนกันกับข้อยหน อ, อยนี่นะพระพุทธเจ้านึกว่ามันเป็นแต่ท่านนะแต่พอทำปุ๊บโกนทัญญะก็เป็นขึ้นมาคือธรรมาจักในใจท่านหมุนไปสู่ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพันตังนิโรธธรรม มีนี่โรดก็คือดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกอย่างนะมันเกิดแว บ, บขึ้นมานี่มันดับได้แล้วดับได้แล้วก็กลายเป็นความว่ามันไม่มีอะไรมิได้แต่ความว่างของใจนี่เริ่มเห็นแล้วเนะี่ยมเราเห็นไหมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นทุกอย่างแว บ, บมาแล้วก็ดับไปแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นแบบ น, นี้แล้วท่านเป็นขยับไปว่า I, im im ani, อกุปปเมื่อวีมุติอย่ามันติมาจานัทนทีธานีอุปนภพโหติเอกุปปาเมวิมุติพราะพระุทธเจ้าตั้งแต่เห็นครั้งแรกเห็นสว่างแล้วเนี่ยมันหมดไปเลยมันไม่มีกิเลสมันไม่กำเริบเกิดขึ้นอีกเลยทุกเนี่ยอกุปปาเมืปลว่าไม่กำเริบนะมันไม่กำเริบของเราเห็นความคิดตัวนี้ดับไปแล้วมันก็มาอีกคิด้วกำมาอีก ง่วงกูก็ว่าเจ๋วแล้วนะเมื่อวานี้วันนี้ก็มาอีกเลภาวะแบบนี้นี่ไม่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือมันอาจจะเป็นมักอยู่แต่มันไม่เป็นผลโสดาบันเนี่ยคือทําให้มันเป็นมักแล้วเป็นผลด้วยแล้วเรียกว่าโสดาบันโสดาบันคือได้สองเงนนะอได้เข้าเรียนแล้วก็เรียนจบอืได้เข้าเรียนนี่ยังไม่เป็นนะได้เรียนนี่เป็นมัก คือได้กำหนดรู้แล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มตัดความคิดเป็นละแล้วตัดความง่งเป็นละเนี่ยเริ่มไม่กมลัวมาละเริ่มสู้กันนิวรณอยู่ๆก็หายวบไปเนี่ยนานเป็นผลแล้วมมันเป็นผลแล้วเขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นทำทำ ม, มาจากขุงทำ ม, มาจากขุปทำ ม, มาจากกงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจชาวุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทำ ม, มาจากสุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอืม พรบริยาร่าสมมติในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าอืไม่เคยได้ยินจากฟังจากใครมาแนละ้วว่าเจริญสติเล่น ล, ลึกรู้แบบนี้แต่ก่อนไปแต่เพ่งไปจ้องไปกดอืม ไ, ไปเพ่งให้มันอยู่กับลมหายใจบ้างกับอะไรอะไรบ้างเนี่ยแต่เดีนี้พอทํานี้เอาหมดเกิดปัญญาขึ้นมาโอ้ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากอาจารย์เลยนะนเนี่ยนะอ น, นันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใคร ในปางก่อนตั้งแต่ออกบวชมานี่เป็นเจ้าชายสิทธัถ์เนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยงั้นสิ่งที่เห็นนี่เป็นของใหม่เป็นของใหม่เป็นความรู้อันใหม่ไม่ได้ยินจากครูบาอาจารย์อะไรเลยสั่นสอนก็สอนเรื่องอื่น่ท่านถึงเรียกว่าท่านได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตานําเห็นแล้วทีนี่อื้เห็นธรรมชาติของจิตล้วนเป็นยังไง เห็นกิเลสที่เข้าไปอยู่ในจิตมันเป็นยังไงเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไงเห็นสมมุติเห็นปรมัตต์เอามันมาเองเห็นใจที่ไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้เนาอเริ่มเห็นแล้วมันก็สบายขึ้นมาในชีวิตนี่เริ่มเห็นแล้วพอเริ่มเห็นแล้วก็เดินทางแล้วทีนี้อ๋อมันไปทางนี้เนาะเริ่มเห็นแล้วถ้าปฏิบัติทำเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยก็เหมือนเห็นกรุงเทพแล้วเห็นเส้นทางไปแล้ว่ามันมีจริงนะกรุงเทพเนี่ย มองเห็นแล้วแต่ไปยังไม่ถึงอะ่ะคือไม่ได้ชิมบ้างหน่อยๆเป็นวิมุตต์หลุดพ้นเน่นยๆเป็นวิคัมพระนบิมุติเป็นคือประหารกิเลสได้ตื้นๆ น, นะคมได้บ้างประหารได้บ้างแต่มันอยู่ตื้นๆไอ้ที่ลึกๆเนะี่ยยังไม่ได้เหมือนเราขุดมันแกวเนี่ยก็เริ่มเห็นหัวมันแล้วนี่ๆหน่อยๆแต่มันเอาขึ้นไม่ได้เห็นว่ามันมีจริงอะ่ะมันมีจริง ความพ้นทุกเวลาเรารู้รูปนามเราได้ดวงตาเห็นธรรมชัดๆขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเลยว่าเฮ้ยการดับทุกเที่มันมีจริงนะไม่สงสัยนะว่าทุกเนี่มันดับได้จริงๆทุกมันไม่มีคว่าไปยริงเนี่ยทุกมันไม่มีแต่ที่มันมีเพราะเรายังดับไม่ได้ถ้าดับได้มันหายไปมันก็ไม่ทุกอืมที่มันทุกเนี่ยเพราะมันดับไม่เปลี่ยนมันไม่รู้เท่าทัน เลยต้องทําให้เกิดดวงตาซะที่สําคัญก็คือให้มันได้ดวงตาเห็นดำซะนี่แหละมีความเข้าใจชัดเจนะก็ได้ดวงตาเห็นดำไม่งมงายนะพวกปฏิบัติธรรมลพระเต็มคอนะโอ้ยห่างไกลนะนนะห่างไกลพระสัตธรรมพระเต็มคอรูปเต็มเหรียญเต็มนุน่นเต็มนีน่โอ้ยยา พวกงมงายพวกหมอดูหมอเดาพวกนี้จบไ น, นี่นะจริงๆชีวิตเราได้ดวงตายทำเราเห็นเองนะสบายเรากโกรธก็รู้มันเกลียดก็รู้มันรักรู้ชังรู้เบื่อรู้แต่ถ้่พวกงมงายเนี่ยเขารู้ไมอม น, นี่เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้นะอันเนี้ยไปรู้เรื่องอื่นนั้นแลนะ้นพอได้ดวงตายทมเอาธรรมาจาักขุเกิดขึ้นแล้ว ว่าทำให้มันจเจริญเติมตัวจเจริญสติอีกกำนดรู้เข้าไปอีกทำเยอะๆทำมากๆเดี๋ยวขี้เกียจฝึกทวนกระแสกับอารมณ์เยอะๆงั้นคนปฏิบัติธรรมพอได้สติมาแล้วเนี้ยมันจะมีเหตุมีผลเนี่ยเหตุผลมันมากไปแล้วมันไม่อยากปฏิบัติทิ้งจังเขาจะบอกไงคนจะปฏิบัติธรรมนี่ต้องฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัว เวลามันได้อารมณ์แล้วมันติดอารมณ์ติดวิปัสสนูแล้วมันออกยากะมันออกยากมันติดอารมณ์มันไม่อยากออกนะติดทิฐิติดมานะติดราคะติดตัณหาเนี่ยอือยากสร้างสำนักอยากโน่นอยากนี่นานสารพัดอยากเทศอยากสอนอยากบอกอยากกล่าวสาคัญมันหมายว่ากูก็รู้อย่างเงี้ยนะที่จริงรู้น้อยๆ น, นะ แต่ความอยากมันเยอะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปทํำมาจากคุงอุตปาทิยานังทำให้เป็นญาณซะทำเป็นญาณญาณนังอุตปาทิเป็นความรู้เป็นความอย่างรู้พอได้ดวงตาเห็นทําล้วอันก็รู้อันนี้ก็รู้ชัดเจนคือดีลีเล่ปัญญานี่เป็นปัญญาปัญญาอุตปาทิวิชาผมนะเป็นปัญญาหรือจะเป็นวิชานะ นะเป็นอาโลโกอุธภาตนะิเป็นปัญญาเป็นปัญญาคือรู้เห็นตัดได้ที่แรกๆกเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอันนี้จังทุกข์กังนัตตาแล้วก็เป็นวิชาวิชานี่หมายถึงพวกทีเดียวนะ่ะนะพวกทีเดียวแล้วมันไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าพว่ามันจะเกิดความขยะแขยงเหมือนนะ ขยะกขยงความคิดเนี่ยเหมือนยญิงสาวที่อาบน้ําแต่งตัวสวยๆที่เธอตกหลุมมุจละนะตกหลุมขี้แล้วมันขึ้นมานมันอาบน้ําแต่งตัวสวยแล้วอยู่ๆก็มีคนเอาหนังมาเน่ามาพันคอเขาเนี่ยแล้วเขาจะคิดยังไงอเขาจะขยะกขยแงมากมีคนชวนลงไปในหลุมมุจลระเขาจะไม่ยอมลงไปในคอเนี่ยเขาก็จะรีบคว้างอย่างเต็มที่แรงสุดแรงเกิดะหนังหมาเน่าเนี่ยฉนั้นถามว่ามันจะไปตกที่ไหนอ่ะเขาขยะก ข, ขยง เนื้อเหมือนกันนะ่ะคนปฏิบัติธําก็จะรังเกียจความคิดแบนั้นแหละเมื่อไรก็ตามที่เรารังเกียจความคิดรู้สึกวความคิดเป็นเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตที่มันปรุงแต่งให้กูแล้วแล้วเล่าเล่าอยู่ในไม่จบไม่สิ้นเป็นเนะี่ยเดี๋ยวคิดให้แล้วเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นดีคิดนี่เรื่องเดี๋ยวลาคะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวโมหะเดี๋ยวโงน ง, งิดนั่งอยู่เฉยเดีวคิดไปอีกแล้วเนี่ยมันรังเกียจมันมากนะรังเกียจมากเขาเรียกว่านิพพายาน นิพิทาคือความเหนื่อยหน่ายเบื่อความคิดเดี๋ยวคิดอีกกิดอีกจเหนื่อยหน่ายแต่มันมีพลังในตัวมันไม่ใช่เหนื่อยหน่ายไปไม่มีพลังมีพลังสมาธินิพิทานิพิทายานเป็นความรู้รู้ในการเหนื่อยหน่ายสุดท้ายมันก็จะรวบรวมนะเขาเรียกว่าเจตุตจารณ์รวบรวมก็เกิดความรู้ตัวทุวพร้อมปิ้งทีเดียวนะ่ะหลุดพวกลไปหมด สว่างสดใสขึ้นม า, นาดีนี่ใจนี่อืเขาเรียกเป็นวิชาวิชาคืออันนี้นะเดี๋ยวนี้เราเรียนมีวิชานั่นวิชานี่มันไม่ใช่มาคนละเรื่องกันนะเขายืมไปใช้ใเฉยๆสับมันแต่ไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้คนละแบบก็แบบนั้นเป็นวิชาวิชาก็อสามจังหวะนะ จุดุปัตยานที่แรกก็เป็นปุพเพนิวาสาริยาณยานความรู้ทําลายกิเลส ท, ที่เป็นอดีตอดีตอะไรที่มันเป็นกิเลสอยู่ในใจเราเนี่ยทําลายนี่สองจุดุปัตยานเห็นทําลายการเกิดดับเห็นการเกิดดับการเกิดนะพูดง่ายๆจุดุปัตยานนี่คือดับการเกิด เห็นดับการเกิดมีปัญญาอย่างรู้เห็นดับการเกิดคือสิ่งที่มันเกิดมาอย่างที่เราบอกว่าสิ่งที่นําพาไปเกิดไปเกิดไปเกิดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเกิดแล้วตายมีกิเลสไปเกิดอีกนั่นแหละมันจะดับการเกิดจุดตัปัญญาณคือญาณดับการเกิดทั้นคนที่เจริญสติเห็นทำมานี่แล้วเนี่ยโอ้ยมันดับเองการเกิดนี่นะ แต่บางคนอพยายามไปเรียนไปเข้าคอร์สวิธีตายดับการเกิดซะไม่ต้องไปเกี่ยวกับวิธีตายหรอกนะถ้าดับการเกิดมีอันนี้ได้เข้าถึงอันนี้ปุ๊บก็จะแจ่มแจ้งละแล้วญาณสุดท้ายก็คืออาสวัคยายานอาสวัคยายานคือการทํำลายอาสวะการสิ้นจบอาสวะอาสวะคือ สิ่งที่มันอยู่อืมในใจเราเนะ่ะอยมันยังมีอยู่บ้างมีเศษที่ว่าอุปาติเซเซอนาคามีตาถ้าเห็นแจ้งอันนี้แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่เป็นพระหลานก็จะเป็นพระอนาคาเมก็จะเป็นพระอนาคามมนะเนี่ยแต่ถ้าเห็นแจ้งปุ๊บมันไม่มีเศษลงเหลือเลยเหมือน จุดไฟระเบิดตูมขึ้นนี่มันหมดเกี้ยงไปเลยเนี่ยนั่นเป็นพระอรหันต์ดีอ่ะคือสิ้นจบทุกทันทีเราก็จบแล้วหมดภาระกิจภาระของเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีเท่านี้มีเท่านี้เป็นมนุษย์เนี่ยนะเราจะเป็นพุทธก็ได้เป็นคิดก็ได้นะเป็นมุตสลิมเป็นเป็นอะไรได้หมดเวลามันไม่ทุกเลยเนี่ยเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้เป็นอะไรก็ได้ คือมันไม่เป็นทุกข์แล้วมันไม่ติดสมมุติแล้วจิตมันสบายดังนั้นทำยังไงชีวิตเนี่ยเราจึงสามารถเกิดท ร, รมาจักขึ้นมาในตัวเองได้หมุนให้เป็นจักขุจักขงญาณังเป็นจักขุเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิ ช, ชา เป็นอาโลโกลาโกอาโลโกแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเรามันสว่างในใจใจเป็นไหนมาไหนก็สว่างนะมันสว่างเนี่ยเมื่อมันสว่างอะไรแวบเข้ามานี่มันเห็นมดนะขี้เกียจมาก็เห็นเบื่อมาแกเห็นแต่พอเป็นอย่นี้ปุ๊บมันไม่ค่อยมีหรอกมันปกติของมัน ดัง น, นเราทั้งหลายใส่ใจใ น, นชีวิตเนี่ยทําให้มันเห็นท ร, รมจากกวัฒนสูตรท่านหมุนครั้งแรกก็คือพระพุทธเจ้าหมุนใจพระมกข์พระโกนธรรัญะนะจนกระทั่งถึงป่านนี้นี่คนปฏิบัติธรรมทุกคนก็ต้องฟังรำมาจากกวัฒนสูตรในใจตัวเองให้ได้ทุกคนต้องให้เห็นมันนะสูตรอันนี้เห็นมันขึ้นมาเนี่ย เห็นไหโอ้ <het en> oh, เป็นอย่างนี้เองเนาะหน อ, อัตตะกิรธรรมฐานุโยคคือส่วนมากไปทรมานร่างกายไม่ได้เฝ้าดูจิตพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญเพียรทางจิตนะบําเพ็ญเพียรทางจิตคือเฝ้าดูจิตนะะและเลึกรู้เฝ้าดูจิตมีความเพียรในการเฝ้าดูถ้าไม่เฝ้าดู มัวไปเพ่งไปจ้องไปกรบเกลือนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆก็กลายเป็นแบบลกโล ก, โลกถ้าบางทีก็นิง่งสงบก็กลายเป็นส ม, มถะซะสองวันว่าก็ไม่มีอะไรสามวันสีวันมันไม่เปลี่ยนแปลงนะพอไปกดจิตี่มันจะไม่มีอะไรเลยมันไม่งอกไม่เงยไม่อะไรอันนี้เราดูเหมือนลูกเรานี่วิ่งไปวิ่งมาแล้วเราก็ดูมันประคองไว้ไม่มันตกหลุมตกบ้านเฉย นะแต่ไม่บังคับมันไม่ไปมัดมันใส่เสาไว้เหมือนกันเราเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยเฝ้าดูจิตเฉยเฉยเรียนรู้เรื่องกายก็เฝ้าดูกายเฉยเฉยโจทยาโน้นแล้วมันปล่อยวางกายได้นแล้วนะเห็นทำรรละเห็นทำรรคือเห็นความปกติของจิตนะนี่ยมันเป็นยังไงปกติของมันเดี๋ยนี้คือคิดอันนี้มันทําภากนี้อันนี้ไม่ใช่ภากโน้นปรมัตถธรรมคือทําฝากโ น, น้นนอกภากโน้นมันเป็นแบบนี้ อัที่เราอยู่แบบนี้มันเป็นฟากนี้อันนี้ทำมันเนี่ยนั้นเราไม่เห็นทำที่บริสุทธิ์มันก็ต้องเจอทำแบบนี้สมมุติธี่ทำมันเนี้ยเราปฏิบททัติทำแต่เราเจอแต่สมมุติอันเกิดจะทำอันนี้เกิดจะเป็นอะไรประมาณเนี้่ยเจอแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ถ้าข้ามไปอยู่ฝั่งโน้นได้ก็สบายพระพุทธเจ้าจึงว่าไงส่วนคนโง่วิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองวิ่งไปวิ่งมา วิ่งเลาะอยู่กับรูปรลกินเสียงนี่แล้ววิ่งเลาะอยู่กับความเพลิดความเพลินเยเจโสคสัมตะฆาเตทมเมธา ม, มานุวัติโนโก็ชนเราได้ประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ <c oughs> ตรัสไว้ชอบแล้วเตชนาป a r a m e ส a นติมัจุดไ ท, ย, ทยยังสุทุตรังชนเหล่านั้นจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามบนบ่วงแห่งมัจจุมัจจุราชนะที่ข้ามได้อย่างนั้นต่อไปมันไม่เป็นแล้วมันไม่กลัวมัจจุราชละ มันชัวาไม่ว่าจะลูกน้องมันหัวหน้ามันลูกสาวมันอืไม่กลัวมันจุดแต่อ ย, ย่างสุดโต่งตันห้งกันั้งทำ ม, มังวิปหัยะสับกม็มีทัพปิโตจงเป็นบัณฑิดละทำดำเสียนะอย่าไปยุ่งกับทำทำดำแล้วจเจริญทำขาวจเจริญทำขาวก็รู้สึกตัวทีเฉยเห็นเฉยนี่จเจริญทำดำคืนหมั่นอยู่กับความคิดนะ โอกัอโนกมาขมาวิเวยเกยัตตาทุลังมังตัทระปิรติเมชยังหิตวากาเมกินจนโนอืมจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นธรรมที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากสัตว์ทั่วไปมันไม่ค่อยยินดีนะเนี่ยได้โดยยากเพื่อมันจะได้มันจะยากมากยากแต่ว่านี่เขาถือว่าเป็นผู้ปลอดภัยแล้วเป็นผู้ถึงฝั่งแล้ว เป็นผู้ถึงฝั่งนอกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงฝั่งอันนี้มันถึงฝั่งแล้วเกิดมานี่อยากถึงฝั่งไม่ชีวิตนี้ี่อยากจะจมอยู่แบบนั้นอืหาฝั่งไม่เจ อ, อหาฝั่งไม่เจอหาฝั่งให้เจอซะหาฝั่งให้เจอท่านบอกว่าอย่างเนี้จิตเราในมันเหมือนกับคนอาศัยอยู่ในบ้านตั้งกายนี่ เป็นเหมือนบ้านเราสร้างบ้านขึ้นมาเอาเอาอาหารการกินมาแปะมันเอาน้ำมาใส่เอาทาสสีมาเติมเป็นบ้านอันนี้เพื่ออาศัยแต่ผู้อาศัยในบ้านหลังนี้คือจิตจิตเป็นผู้อาศัยที่นี่บ้านนี้อาศัยมานานแล้วมันเตรียมจะผุพังแล้วเนี่ยมันจะผุพังแล้ว บางคนก็ได้บานขาวบานดำแล้วมีหญ้าแซมบนหลังคามานนี่นีเ ล, เล็กน้อยๆนยนะามผนังมันก็ฉาบด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยดังเ น, นี่ยแล้วมีเอ็นดึงรัดเอาไว้นะแล้วมีขนเล็กๆน้อยๆหุ้มตรงน้นตอนนีนะ้เห็นไหมมันเหมือนบ้านหลังหนึ่งอ่ะแล้วจิตก็อาศัยแต่จิตนี่ ดิ้นรนกวดแก่งพันธนังเจปรังจิตตังทุระกั้งตุเนวายังอุจุงกโกรติเมธาวีอุสุกาโรวเตชะนังจิตนี้ดิ้นรนกอดแก่งห้ามอยากรักษายากเมธาวีเมธีชนเมธีหรือเมธาวีคือบัณฑิตเนี่ยคือผู้ที่ทําจิตที่ดิ้นรนกวดแก่งรักษายากให้ตรงได้คนนั้นแหละคือบัณฑิตทําจิตให้มันตรงเนี่ยให้มันเป็นศักแต่ว่า เหมือนในช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นฝึกจิตเนี่ยดัดไปดัดมาดัดไปจนมันเฉยอ่ะมันวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นวางไวต้ตรงไหนมันไม่คดแล้วจิตมันไม่คดเราจะมาทําแบบนั้นแหละที่ทําเนี่ยทําตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าสองพันกว่าปีปัจจุบันก็เหมือนเดิมนะถ้าทําก็ถูกเหมือนเดิมถ้าทําผิดมันก็ผิดเหมือนเดิม นะสติก็ยังนํำทำหน้าที่เหมือนเดิมคือต้องเห็นความทุกข์ของมนุษย์ก็เหมือนเดิมทุกพราความคิดนะทุกข์พราความปรุงแต่งคุเจ้าก็สอนสติเพื่อดับอันนี้เหมือนกันไม่มีลาสมัยเลยคาสอนคุยว่าไม่ต้องไปไประยุกต์ไม่ต้องทําอะไรกับมนันนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วนะถ้าสติมีมันเป็นปริปักกับความคิดกับความปรุงแต่งทําเป็น สนุกและทำให้เป็นทุกข์มันไปเรียนหนังสือกนะันแหละเหมือนกันอันนี้ก็คือการเรียนนยมันเรียนโรงเรียนนะเนี่ยเรียนเข้าไปลูกถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อไม่มีเงินยัดลูกไปโรงเรียนดีๆเรียนนี่แหละ โรงเรียนวัดก็คือเหมือนวัดดูตัวเองทีละน้อยวัดดูวันนี้ดีขึ้นเมื่อวานไม่ดีเมื่อวานดีวันนี้ดีเนี่ยเขาเรียกที่ว่าวัดไงวัดใจมีเครื่องวัดไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาพวกนี้เป็นเครื่องวัดถ้าทั้งโลกล่ะเอาอะไรไปวัดนะเขก็มีเครื่องวัดเกณฑ์วัดเขาแต่ที่เราวัดตัวเองอะเป็นปัิจจตังเป็นปัจจตังตัวดวนเป็นปัิจจตัง ดูตัวเองเห็นตัวเองทุกวันปฏิบัต <light> ิทางวัดตัวเองทุกวันทุกวันง่วงมาน้อยเบื่อนายชอบจังอะไระมาณน่้บางคนวายกูคงไม่ได้อะไรหรอกปิบัติทำจนป่านนี้แล้วยังยังยังนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนับคะแนนนะบุกเข้าไปเลยสติสัมปชัญญะขอแต่รู้สึกทวนเหมือนมวยไทยนี่นะอ่านอกยกห้าก็ได้เด้ จระเข้ฟาดหางไปสอกกับเข่าลอยไม่ได้มดเลยอะกัดหวนไม่ไทยสันยังไงฮนะึดตอนไหนอ่ะบรได้ตอนนั้นอ่ะกูะจะเอาจริงเลยนะมันไปติดอะไรเนาะสังเกต ด, ดูทำไมเนี่ยเมื่อไหร่คนที่ตั้งใจปันนี้นี่จะได้มองคนไปก็นั่ง นอนลงแล้วกำหนดรู้สังเกตดูเมื่อไหร่คุณทำด้วยใจอ่โดยที่ไม่มีใครบังคับเมื่อนั้นแหละคุณสู้กิเลสด้วยด้วยสติด้วยสัมปัติเนี่ด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ตื่นเบิกบานตัว น, นั้นแต่เมื่อไหรที่ทำเป็นสักระวา่าเนี่ยมันยากอยู่ไม่ไกลนะ สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลเคลื่อนไหวก็รู้เแลาเราเคลื่อนไหวใจล้วจะรับรู้ได้เลยอืนิพพานไม่ไกลหายใจก็ได้ยินลองฟังดูดินิพพานไม่ได้อยู่ไกล น, นะนี่ลงตามาโอ้ยเรียนปริญญาตีสี่ปีสุขอันนี้เจ็ดวันนี้เกือบหมดทุกข์แล้วนะเนี่ย นะอืมไว้มันเรียนถูกเนาะเรียนถูกมันก็ถูกแต่ไปเรียนเสียเวลาเรียนนั้นเรียนนี่เสียเวลาเวลามากมายหลางหลายยิ่งปัจจุบันนี้พอเรียนไปแล้วก็เสียอืมต้องเสียค่ายืมเรียนแล้วเนี่ยตั้งแต่โมหกฮะยืมเรียนไปปริญญาตรีมีโอ้ยมันยืมเรียนเยอะเด้ปัจจุบันเนี่ย พอมาปฏิบัติทำพอได้อารมณ์เฮ้ยอยากต่อก็ต้องใช้นี่เขาอีวัเห็นไหมมันยากพราอะไรเพราะเราหลงผิดไปไงแต่ถ้ามาปฏิบัติทำตั้งแต่อายุ ย, งยังในน้อยมวหนึ่งมวสองมวสามปฏิบัติแล้วพ่อจะส่งเรียนมวันหามวโนห้ยพ่อผมไม่ยินแล้วยืมเรียนนะผมจะไปบรรลุธรรมนั่นเองมันก็สบายไปนะชีวติตเนี่ยอปริญญาตรีนี่นะปริญญาตรีปริญญาแปลว่ารู้รอบ ปริไปว่ารอบอย่าไปว่ารู้รู้รมันรู้รอบจีิงไม่ไม่รู้เน่ยนะนะมันรู้ออกไปนอกตัวถ้ารู้นอกในตัวนี่ก็ง่ายปริญญาตรีของพุทธศาสนานี่เรู้สามครั้งตรีไปว่าสามรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเ น, นี่นะรู้สามครั้งปริญญาโท ร, รู้แค่อดีตอนาคตสองอันโทไปว่าสอง นะปิญญาเอกรู้อยู่ปัจจุบันอย่างเดียวแต่ในความหมายลึกๆ ก, ก็คือปริญญาตรีนี่มันกำหนดรู้สามครั้งไม่ต่ำกว่าสมครั้งโกลังโกละนะเป็นภาษาบาลีนะนะเห็นอะไรเข้ามาในกนําหนดรู้ประมาณสองสามครั้งสามสี่ครั้งปิ้งแล้ดับเลยหายเลยความคิดมากําหนดรู้สามครั้งถึงดับปัญญาตรี ปัญญาโทนี่ยกำหนดรู้แค่สองครั้งนะรู้สึกตัวเฉยๆในสองครั้งดําแล้วมันเปนลี่ยนไหมล่ะไม่เปลยนกําหนดไม่เคยกําหนดเลยเรียนรู้ปัญญาตีก็ไม่รู้นะไม่รู้นะมหาวิเลยธรรมศาสตร์การเมืองแต่ก่อนธรรมศาสตร์และการเมืองตัดการเมืองออกให้เหลือแต่ธรรมศาสตร์นะ ก็ยังไม่รู้การกำหนดรู้นี่เขาก็ยังไม่ได้สอนเลยธรรมศาสตร์เนิชาธรรมะนี่ยังไม่ได้สอนนะมิชากําหนดรู้ดับทุกเนี่ยนะคนมาปฏิบัติธรรมมีสองแบบอันนี้เขมีสองแบบหนึ่งไม่ไสายศาสตร์กับพุทธศาสตร์นะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือไม่งมงายก็รู้แจ้งหรือนะสายศาสตร์ไสยะแปลว่านอนศาสตร์ก็แปลว่าเสือ มีสองเงินน ะ, นะไม่นอนก็ตื่นไม่นอนก็ตื่นนท่านั้นเองเจ้าอะไรมันไม่มีอะไรเท่าเอกล่ะเอกกําหนดลูกครั้งเดียวปิ้งพอมารู้แจ้งโน้นะ น, ะนะวิปัสนาญาณขั้นสุดท้ายนั่นนะมีมุตติญาณทัศน์ปิ้งครั้งเดียวจบเนี่ยปริญญาเอกคือกําหนดลูกครั้งเดียว ปัญญาโทก็กำหนดรู้สองครั้งปิญญาตีกำหนดรู้หลายครั้งปญญาตีแต่นี้มันไม่ได้รู้รอบแบบนี้แปลว่ารู้หลายเรื่องปิญญาตีคือหลายเรื่องนะหลายเรื่องเข้าไปในมาหลายเรื่องลกสมองเนี่ยปิญญาโทก็หลายเรื่องเข้าไปอีกอะไรปัญญาเอกก็ยิ่งหลายเรื่องกลับมาผูกคตายพอดีสงสารนะสงสารการศึกษาทางโลกก็เป็นแบบนั้นแหละ ทีนี้ถ้าดีมโมดอะดีมามดก็งง่หงิด ต, ติดอารมณ์รักชังโกรธเกลียดเขาโอ๊ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เนาะเอา้ามนุษย์นี่มันอยากเป็นอย่างเงีเลยถ้าเรารู้เนี่ยมันมีการพัฒนามันไปถึงที่สุดของทุกได้ชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยพัฒนาไปถึงที่สุดทุกได้แล้วทำไมไม่ทําทําไมต้องยอมรับว่บามนุษย์ก็เป็นแบบนี้เอา้า รู้อยู่ว่าจะไปตายเนี่ยไปเกิดไปแกี่ยวไปจบแล้วไปทําไมอะ่ะไปทําไมถ้ามันรู้จริงนะนี่มันไม่รู้ไม่จริงรู้ไม่จริงมันก็อยากไปนะเนาะอยากไปหาความโศกความเศร้าความเสียใจความไม่ได้ลำบากความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจทั้งหลายเห็นไหมสวดะสวดทุกวนันทุกวันตื่นขึ้นมาแล้วรูกนะปังอันนี้จังลูกไม่เที่ยงพอสวดแล้วก็ไปแต้มแต่งตัว โอ้ยอหิหาเอ้ยไม่ด <c oughs> ูอะไร <c oughs> รูปังอนิจังเ <c oughs> บิกเปรตเงยนี่นะรูปังอริจังรูปังอนัตตากูไม่ใช่ตัวตนอืว่ามีตัวตนเมพอเดินไปเอาไว้ไว้เนี่ยโกรธคนนั้นโกรธคนนี้แล้วนี่นะออกมาจากห้องน้าพูดกับเขานี่พิสกันมาหนึงมาเนิรไปนะโอ้ยยุ่งยากวนวาย รูปรถกินเสียงอุปท า, านขันเนี่ยท่านก็สอนสอนตัววันดะูดีเดอร์ดูดีเดอดดดเฝ้าดูดีเดอร์รูปไม่ใจตัวตนกําหนดรูปรูปสิดูรูปที่มีตัวตนไหมถ้าดูเห็นปุ๊บมันแจง้งขึ้นมาก็หลุดไปครัแต่นี้เราก็สวดเฉยๆเขาหัวแบบนกแกว้วนกขุนทองนอกแก้วก็ทําให้มันจําได้อืทําให้มันจําได้มันก็เขี้ยวจ้าเขี้ยวจา้า กินข้ากับกล้วยมันก็ว่าไปไม่รู้กล้วยคืออะไรนะัไม่รู้นะเหมือนกันแหละเร า, าอาระเราหั่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจยากเม็ น, นยังมันไม่ได้ยีติปีโซพระก็ว่าเพิดเพลินไปตามเรื่องสงสารคนไม่รู้เรื่องขนาดเราแปลนี่ยเรายัางไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะเนี่ยใช่ไหมยิ่งทําไม่แปลล่ะไม่แปลก็ยิ่งยาก วัดนั้นวัดนี้สวดมนต์ข้ามปีใหม่โอ้ยนะสวดมนต์ข้ามปีใหม่หนูนะใจมันก็สบายสบายมันรู้สึกว่าได้ทําอะไรสัแต่รู้ตาเขาว่าก็ดีกว่าไปกินเหล้านะแต่ว่าในแง่ถ้าเข้าใจจริงๆเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยโอยมันจะตั้งใจทําวันนี้เพื่อ อ, อันนั้นนี่ยมันรู้เป้าหมายแต่นี้ไม่รู้สวดเอาบุญนะสวดอบุญ สุปฏิปโนจุปฏิปโนญยายาปฏิปโนปกกะวกวาโตซาบะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยตะกีเนโยพอจบภูปกพระพขึ้นจบภพร ะ, พะลงโยมขึ้นเนี่ยทำมาดีไหมดีดีแต่ก็ดีแบบนั้นแหละะก็ดีดีแบบผู้ไม่รู้แต่ผู้รู้กันดีกว่านั่นนะเอารู้แล้วเขาสอนอะไรนะ่ะ เขาสอนเรื่นี้เราก็ไปทําเมาดิเอาอันนี้ไปทําเอาพระพุทธเจ้าว่าพุทธะอรหังไกจากกิเดศสัมมาสัมพุโตรู้แจ้งเองนะวิชาเจรนะิญพอรู้แจ้งมีวิชาวิความรู้แจ้งนี่เจรนะิญะการประพุทธจะเรียบร้อยไปโดยธรรมชาติเลยสัมปโนสุขโตไปที่ไหนก็ไม่ทุกสุขโตนี่ยโล ก, กับวิถุเป็นผู้รู้แจ้งเรื่อ ง, องชีวิตแอนุอนตตโอปุริสธรรมสาระทีไม่มี อะไรที่จะสามารถฝึกคนให้เห็นแจ้งได้เท่ากับพุท ธ, ธาภาวะนี้สัตถาเทวะมนุษย์สานังพุโทโธพว่าความรู้แบบพุท ธ, ธเนี่ยเป็นที่พึ่งของเทวดาคือคนรวยและเป็นที่พึ่งของมนุษย์สัตถาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาทั้งคนจนคนรวยเนี่ยบ้านปฏิปธรรมคือกันเหมือนกันเซมเซมซ้ากันมาตไปมนะ มันไม่มีอะไรเกินกันนะสำคัญทุกข์ก็การเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันถ้าพ้นทุกพ้นทุกเหมือนกันเหตุเบื้องเดอพระพริธเจ้าท่านพูดอา้าวเหตุเราสิเห็นยังนงท่านก็พูดอีกนบนะว่าสวากาโตลักษณะธรรมะของพุทธะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสวากาโตภควตาธรรม ธ, ธรรมะของพระผู้มีพระเจ้าที่เห็นมานั้นเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสันทิติโกต้องเห็นเองนะ อากาลิโกไม่เลือกการเวลาไม่เลือกลดูนะอันเนี้ยโลกับวิทุอากาลิโกเอฮิปัสซิโกเวลารู้แจ้งแล้วมันมันเป็นธรรมที่ไม่ตันนีนะอยากชวนคนอื่นมารู้มาเห็นอยากให้มันเป็นให้มันมีอยากให้มันเห็นใจตัวเองนึงโลกอโอปานาจิโกน้อมก็มาใส่ตัวมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปมันจะน้อมก็มามันไม่ได้มองไปข้างนอกปัจจตัง รู้แจ้งเองเฉพาะตัวปัจจตังเวทิตะโพวินยูหีตินะฮะยูหีติเป็นเรื่องของวินยูชนวินยูชนผู้รู้แจ้งอันนี้จะเป็นแบบนี้เอา้าผู้ใดเหตุดได้แน่น่ะตามพระพุทธว่าเอ้าใครก็ได้ทำนี่สุปฏิปโนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได สุปฏิปนุปปฎิบัติดีใครก็ตามที่อยากเป็นสงสาวกผู้เย้าถ้าปฏิบัติดีแล้วจะเป็นเลยปฏิบัติดีอูชุปฏิบัติตรงยายะปฏิบัติออกจากทุกข์ถ้าออกจากทุกข์ได้ปฏิบัติตรงๆแล้วมัจะออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปโนุปปกวโตเงสามีจิตปฏิปนก็ปฏิบัติให้มันสมควรให้มันเหมาะสมเอาจริงๆอย่างๆเนอเอาจนสมควรแก่ทํากิเลสมันมาง่วงมากขนาดนี้ต้องบุกไปขนาดนั้นเบื่อมากขนาดนี้บุกไปขนาดนั้นเขาเรียกว่าสามีจิตปฏิปน สามีแปลว่าสมควรนะหมูไปไก่มาล่ะเนาะมืองหมัดขวามากูก็ขวาไปอะอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่สามีจีปฏิวโนแปลว่าอะไรนะให้เอาประสงค์เป็นสามีเมองคนละเรื่องกันนะมนันแปลไม่ได้นะีนะ่เนาะจะมหาเอาตามวัตามาผิดผิดผิดมันไม่รู้ไงภาษานะเขาคือว่าไปฟังจากท่านผู้รู้ที่เขาแปลพอแปลฟังฟังเข้าใจไหมเข้าใจ สัจธรเตี้มนุสนังพุทโธแปลว่าบุญยัเขตดตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอรือนี่กว่าเนื้อนาบุญก็คือใจเราเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญถ้าเราทำนาที่นี่นะชำระล้างใจแล้วปลูกฝังส ต, สติสมัยมันรู้แจรร้งเรากินทั้งปีความไม่ทุกเนี่ยเราเป็นผู้ร่ํารวยแล้วเพราะมันเกิดสภาวะทำขึ้นมาเราไม่ทุกแล้วนี่นี่แหละสัจธรรม บุญยะเขดตังโลกัตถะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกนี่เนื้อนาบุญท่านพูดให้ฟังไปนี้เขาก็ไม่รู้อะไรอีทิปิโสร้อยแปดจบปีใหม่นี่ยิทีปิโสมันก็ว่ามันว่าอะไรอีกน น, นะฮะว่าอะไรมันยังไม่เข้าใจอีกเลยเนี่ยให้เอาไปทนะําน่ะไม่เข้าใจเอาอีกแล้วสุปฏิปันโนภะกะวะโตสาภกสังโกเอาเอาเข้าไปอืทั้งปีทั้งชาติ จะไปใหญนล่ะไปวัดอะไรนะนะเอาไปเถอะมันไม่ได้อะไรเพราะเราไม่รู้ไงทําไมมันจะรู้ชนินี้นะแต่คนพาสวดก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อยนสวดก่อนเง่งเต็มบ่าเน้หนักทางนั้นหนักทางนี้นะอิติปิโจวะเกวโอ้ยมันไม่รู้เลยก็ต้อไม่ต้องมีอะไรไปอ่ะนะไม่ต้องมีอะไรบางทีก็สวดไปก็คุยกันสวดไปก่อนนะคุยกันกินน้ําชาน้ําร้อนไปเรื่อย ได้อะไรพระพุทธเจ้าจะสอนให้ปฏิบัติทําไงให้รู้เองเห็นเอง เ, เองอกิดจากการภาวนาเนี่ยเฝ้าดูเองอะมันอยู่ที่อะไรมโนผุดพังกม า, ามตมามโนผุดพังกามตมามโนเซต้มโนอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในจิตนะดูเข้าไปดิอยู่ในจิตนะนตนะมโนผุพังกามันอยู่ในจิตมโนผุดพังกม า, ามตมามโมโนมโนมโนมโนมโนอะไม่รู้จกมโนเหรอ มันอยู่ที่ใจมนโนปุพังกามาธรรม ม, นมนโมม น, สมมนสิทธามโนมายมานาสะมจิตมโนเสนุพระพุทธเจ้าผู้จนตายจนมรรคหน้าภาพพระพุทธเจ้าจนปริญิพานอันนี้ก็เหมือนกันแล้วรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกอย่าให้มันหลุดเฝ้าดูนี่อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าห ล, ล, ลุดจัตฐานสติปัฏฐานอย่าให้หลุดจัตฐานหลุดตัวไหนกลับมาตัว น, นั้นกลับมาตัวโอ้ยมันต้องเห็นแล้ว ตื่นดึกรู้เช้ามาก็จะเห็นละแจ้งกันมาเนี่ยกำหนดรู้ต่อเนื่องมากเข้ามากเข้ามาเขาจะไปไหนซะสักวันหนึ่งสิ่งที่มันอยู่ในนี้มันจ้องจุติละจะต้องได้จุติของเขาจุติจุตูปัตยานต้องเกิดจุติแปลว่าเคลื่อนกิเลสมันเคลื่อนเมื <ME> ่อ <U re S 2> เกิดจุติปัตยานนี่ยเขาเรียกว่าทำมาจากมันหมุนนะี่ยพุบขึ้นเลยนี่น อ, อ๋อจางสีก็มีติ อย่างนี้ก็มีหรือนะโอ้มันเป็นจังสี่นาะเห็นฝรั่งมาอิดดัดโซเนีึบจังสี่ก็มีเนาะเนี่ยเนามันมีแหละมันบะเบงดิมันจังปางขึ้นมาไหมจังปางไม่ได้ยินเลยคุณผลเทนสุนทนร้องนะจังปางจ้องแต่หละก็จองปองแจงแปงจังปางจึงเบืง จึงปึองผออมว่านนหายมันเห็นดเลยใจมันจึงปึงฟังเสียงมันก็รู้นะจังป้องนี่เกิดน้นอยๆเอามันออกไปโหลดไปเถะความห่วงมันไม่มีจริงความเบื่อความไหนมันไม่มีจริงมันไปแล้วมันก็นมาอย่าเล่นกับของเล่นนะมาเล่นกับของจริงเล้เอาจริงเอาจังเลยเอาคืนนี้สามทุ่มแล้วจะได้ไปหลับไปนอน ไปพักผ่อนเวลาไปนอนในสั่งตัวเองหน่อยเด้อนะสั่งตัวเองปรนเมืออธิษฐานกราบไหว้ลูกพงอีหา่าตื่นทีสามครึ่งเดิมมันไม่ใช่ตัวเราไงอนัตตาไงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจาไวด้ดีๆีลยปอบไงไงมึงเบิกเป็ดมึงหนึ่งมึงบางงีตีสามมึงลุกเด้อดามันแน่ดามันแน่ ดามันนะ่ะตัวสังขารน่นนะดามันดาบันหลดจำไว้เด้อเพิ่นแป๊งบรดเดี๋ยวเสะเดิดลุกเลยเด้ก ม, มนันเลยบ่แม่งง่มไปปิดนั่าที่กายเอาขึเกาอีกโอ้ยเหมันเหมือ น, น, นสื่อมเสืดต้องสั่งมันนะ่น่ะนี่ละวหวก็นอนนอนลงไปกับกำหนดหลู่ลุมหายใจลู่โอ้ยลูยล่เป็นนิพพานเด้อเนี่ยดับเด้อ พอตื่นปุ๊บเกิดมาลืมตาจิตมันจะตื่นก่อนนะไม่ใช่กายตื่นก่อนมันจะขยับปุ๊บเห็นเอา้าเพท่านตายตุ๊กคุนี่ตื่นมาเกก็เห็นบ้างมันยังไม่ตายอ่ะนะยังสลึมสลืออยู่โอ้ขึ้นมาโอ้หลอดตายแล้วมืนอนี้ขึ้นมาหาในผ่านตอ่อคอหนนะ้าเนี่ยอยู่ปัจจุบันเอาอีกอมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็แล้วไปนะอันนี้มันยังไม่ตายท่านก็หาอีก คืนหน้าที่เรามีเท่านี้หน่ะตื่นมาเลยเอาเทุกวันทุกวันมันจะไปไหนเนี่ยมันต้องเห็นนี่ละบอเมนตื่นรูจุ้จิตมาเหอะเขาไปมดเลยไหมแปลงฟันแกร่ล่างนาไปออกมาห้องน้าเต็มมืดเลยไหมยืนท่าสีเขียวอยู่มืดเลยมุจิออกมาจะเถื่อนเนาะเคาะเขาป้องมออกมาเลยอือเอาเขาก็เข่าไปว่างหันเนาะบอกมาทีกูห็อกไว้ที่นี่ หลอกประตูเขาไปทั้งเงินทั้งสมนำหนาเมมึงหอกมากจนลกูลกเร้าเลยนะเปนบรรูด อ, อกว่ากูหลอกก็ได้ไปทั้งเงินซะยโอ้แอ น, นี้ก็ลาบากอย่าไปเห็ดบัเหอะอย่าไปเห็ดสีขเขียวเรก็้าเพราะนั้นฝ้าตือนแต่ดเดิกลุกเต๊เศ้าตึกเตดเดกลกตดเ้าท่ได้บุญได้กุศลนะไปเราหัวหน้ า, า, น า, า, า, าลูกตากขาเร่องเห็ดใหญ่โย่ผู้ใดอยากเขงหงาหัวหน้าไม่ควรถามอีกเด้อด นะ ข, อของน้าท่านค้าขัดตัวตั้ ง, ต อ, ตงอตั้งใจทุกคนทุกคนแหละตั้งใจเราั่าคิดว่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะเป็นวันที่เท่าไหร่ของการมาปฏิบัติธรรมอมืวันที่หาเนี่คนลูลูๆน้ํน า, นะนาก็วันที่ห้าได้นะส่วนมากวันที่หนึ่งสองสามเป็นการประลองยก 1, นะหนึ่งสองมวยน็อกยกไหนยกห้านั่นแล้วยกห้านั่น อย่าไปดูเชิงมันมากพิงเชือกเตะอยู่นี่โอ้ยมันจะได้กินหาอะไรอย่ามันไม่ได้แร้วจะหลบอันนี้เข้าไปแล้วนี่สวมหมวกกันน็อกเข้าไปแล้วมุดเข้าไปแล้วประคัตน ะ, ะนะเอาแนะ้วนะอย่าไปเต้นบ๊ฟุตเวิร์กอยู่นั่นนะ่ะเขาไม่ได้ดูมวยนั่นหรอกมันหมดเวลาแล้ ว, ลวกรรมการก็จะเตรียมไล่ลงแล้ววุย้ยปวดว่ามันบศชศดีเลยเดินไปเท่านัก็ดึงเส้นผมเล่น เส้นผมมันจะดึงเล่นมาเส้นนั้เส้ น, ส น, สนหิดไข่เหาดูโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเอาจริงสักทีนะไล่มาลงเวทีนันน่นเองลงตาไม่ชอบต้องมวยบุกอ่ะเนี้ยบุ ก, บ<อ>กไฟเตอร์เ น, นี่ยบ<ก>ุกอ่ะเนี้ยถ้าบุกเข้าไปบุกเข้าไปบกไปุกมันจะมีแล้วมันจะเหลือแล้วนะมันต้องได้อ่ะสู้ตายเด้อพรุ่งนี้เด้อฮ่าพรุ่งนี้ว่าจะมันปฏิบัติไม่ดีแต่ไม่ให้มันกินนะพรุ่งนี้ ตอนเช้างดตอนเพียงก็พิจารณามใหม่นะนพรุ่งนี้เช้าว่าจะไม่ให้กินนะได้ไหมไรโบได้ยังไงเนาะ <laughs> มันต้องได้แต่แม่แได้ลสลับไปคือกินแบบศึกษาเป็นแบบนักศึกษาอะไรที่เราชอบที่สุดก็คืออาหารนี่แหละชอบที่สุดคือนอนนี่แหละซึ่งเขาห้ามหมดเลยอันนี้ ห้ามกินมากห้ามนอนมากนี่นะแล้วไอเดชชอบที่สุดคือพูดมากมเห็นไหมเขาจะห้ามห้ามห้ามหามสิ่งที่เราห้ามนี่เราก็สังเกต ด, ดูเงยใจกูคือมันงุนงิดถีน้องคือสอบคนเริ่มเห็นเห็น่เรามันก็เวลาสติเราเยอะเยอะพออันนี้มันวุบขึ้นมามนกระทบที่มันจะระเบิดเันมทีอ่ะนะแจ้งเดินมาประเดี๋ยนวะปัโทโถแบบนี้ก็มีเนะโว้ยบางสิไปบอกผู้อื่นตัวเฮ็ดคือกูนี่เฮ็ดขึ้กูนี่นั่นแหละทําเหมือนชั้นเนี่ย ทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมีจริงเถอมีจริงเถอะซอยลงตาในทอนโยมเลยนะช่วยกันหน่อยเถอะช่วยกันประกาศสัจธรรมหน่อยเถอะว่ามันมีจริงพิสูจนให้มันเห็นหน่อยเถอะแล้วก็ไปเว้าต่อไปแน่ไปว่าวคนนั้นฟังคนนี้เพราะมันมีดีได้ไม่มีดีได้กูเห็นมาแล้วเถอนะ้องกูเห็นมาแล้วนะออกเสียง <c oughs> บางคนไหวลงตามันานั่นออกเสียงแทบ น่าโมจิมหาแสงสแตกอย่างโมจิมีอาเอาผู้นั้นก็สว่างผู้นี้ก็สว่างผมก็นั่นสว่างเดะอยไปคลื่ลายล่ะเอ้ยรูซึกไปซื้อเฮ็ดซื้อๆเนี่สว่างบสว่างสร้างเะเฮ็ดเแล้วไปเฮ็ดเอาบุญบเฮ็ดบูชาคุณพระคุเจ้าคุณแม่เอ้ยปฏิบัติเคุณแม่เท่านี้เด้อใส่นีเขาคุณแม่ซี่เพน ไส้นีคูบาอาจารย์ประสงค์เจ้าไส้นีสงฆ์ขดยายเมยูมานอนน้าเบิลเมื่อนี่ไส่บุญคุ้นพ่อแมีเฮาอยู่บ้านเมื่อนี่ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าสิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเดอมื่อนี้จะซ่า ว, วายกวนกวนเดินจวบ ก, กมเนอะคุณใหญ่พยืนละอธิษฐานลิ้นนั่งลงกับวายคู่สกันวายคู่สกันวายค้าตัวนั้นอ่านในใจนะเหมือนพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมท่านจะอธิษฐาน กาังตะจจะนะรู้จักอิจะอวุธิสมัเนื้อเนื้ อ, นอนหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่ไหมก็ตามถ้าไม่บรรลุธรรมกูบรลุพระพุทธเจ้าว่ากูสิบลุตายเป็นตายไต้ ต, ต, ตนพ่อมันี่เย็ดแม่มันนี่มันเน่นเนาเสร็จตายเป็นตายบลุอมมารได้ยินเท่านั้นแหละว้ายามารนี่มันจะกลัวตันดีนะ ได้ยินนี่เขาเรียกวเคยได้ยินไหมสะดุ้งมานเคยได้ยินไหมได้ยินไหมพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานมีไหมนะแต่มันมีภาพอีกภานึ่งเขาไม่วาดนะปางมานสะดุ้งพระนะไม่ใช่พระสะดุ้งมานนะจะไปสะดุ้งมานทําไมพระพุทธเจ้า lecture, ระดับพระพุทธเจ้า lecture, เนี่ยใช่ไหมและมีพระพุทธรูปอันหนึ่งในเขาวาดปางปางอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไครจะไปลำพึง ขนาดลวงตายยังไม่ไบรรลุทำยังไม่เห็นลำพึงลำพันนอะไรเลยพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วก็ยังลำพึงอีกโอ้ยพระพุทธเจ้าหมดท่าเลยลำพึงลำพึงอะไรเอา้อาเจ้าน้าก็จะมีฟังลำพึงลำพันนะพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ใช่นะ ม, นมันวาดไปก็วาดไปเรื่อยอะมันผิดไปเรื่อยทำเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปานนั้นเหรือไม่เป็น อันนี้ก็เหมือนกันแหละนะตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอย่าปากอย่าเว้าเขาของน้ำท่าแหละไปนอนเกําหนดลู่ตื่นก็คือตื่นเลยพยายามรักษามาที่นี่นั่งคคกเข่าขึ้นอะไรประมาณตื่นอยู่เรื่อยๆรื่อๆเนี่ยเดี๋ยวมันถ้าฝืนมากเข้ามาเขาจะเป็นน่ะห้าละหกเจ็ดนะถ้าไม่ปฏิบัติจริงจริงผู้นี้วันที่เจ็ดมันจะคิดถึงบ้านเลยเนี่ยจริงปฏิบัติได้วันแรกก็ไม่ได้อะไรได้วันสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรด้วันที่ห้าที่หกเนี่ยนะวันที่ พอมีหวังหน่อยนะ่ะเจ้า ก, ก็เอาเด้บอเอาก็สร้างเด้วนหนึบงเง ด, ด้เอาคักรเดอือื่ น, อนเอาให้เอาให้มันมดปะทอมมดขีใ่ในท้องนั่นแหละตายเป็นตายว่ะยิ่งมันเบาอ่ะท้องมันเบาท้องไส้มันเบ า, ไ ม, เบาไม่ได้กินอาหารเนยมันจะทำได้ดีมากปฏิบัติธรรมเนี่ยระลึกรู้มากๆ บ่ต้องเอาจริงทางสายกลางทางสายกลางคือไม่คิดไปหากรามนะบ่ได้คิดเพรมานจะกว่าแต่ว่าทางสายกลางคือรู้ซึกตัวซื่อๆนี่นะสายกลางของจิตนี่อยู่ตรงนี้ตรงที่รู้สึกไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนี่เขาเรียกว่าทางสายกลางไม่อยู่กับอดีตไม่อยู่กับอนาคตและลึกรูก้เฉยๆนี่เขาเรียกว่าทางสายกลางสายกลางของจิตพระพุทธเจ้าหนึ่งบำเพ็ญเพียรทางจิต เอาสมพวนแกเป็นปหลังเวลาแล้วล่ะเตรียมโต